ตัวดสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการส น, ส, นสนทนานะคะก็มาพบกับท่านในวันที่ไม่รู้ว่ า, าจะกําลังยุ่งกับการจัดเตรียมตัวเองเพื่อจะพ้นจากสถานที่เดิมๆไปต้อนรับเทศกาลสงกรานกันหรือไม่นะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์และเดี๋ยวเราก็จะหยุดกันยาวเลยนะคะในช่วงเทศกาลสําคัญของคนไทยนี้ เนื่องจากมีวันที่จะให้เราทำกิจกรรมที่ทั้งสนุกแล้วก็ทั้งมีความหมายทั้งมีคุณค่าเยอะตัวอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์จะมีการทำบุญตามประเพณีอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรดาญาติพี่น้องและก็มิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการทำบุญตักบาตมีการก่อพระทรายซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของ การที่จะชดเชยการไปเหยียบดินเหยียบทรายพาออกนอกวัดเอา ก, กลับเข้าวัดด้วยในส่วนของนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการรดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่การที่จะได้พบปะเจอสําหรับคนที่ห่างหายจากบ้านกันไปนานนะนะคะบางคนไม่ได้อยากจะไปเล่นน้ําสงกรานอะไรหรอกแต่มันหวยหาค่ะโหยหาการที่จะไปเจอเจอคนที่เราเคารพนับถือรักใคร่ ดิฉเองเนี่ยไม่ทราบปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าในตอนเป็นเด็กเนี่ยนะคะมันสงกรานเป็นวันที่เรารอคอยถ้าตอนอยู่ต่างจังหวัดเด็กเล็กมากๆก็คอยว่าเอ๊อะเมื่อไหร่เราจะได้เจอญาติพี่น้องคุณแม่นี่จะตัดกระโปรงเอี่ยมอ่องให้ใส่เลยนะคะเพื่อที่เวลาเจอญาติเราก็จะได้ดูสดใสมีชีวิตชีวากระเทเสื้อผ้าปีละครั้งในช่วงนั้นส่วนาญาติพี่น้องที่จะกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็จะมากันแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะ แตงเนื้อแตง ต, งตัวสดสายเครื่องประดับกันเต็มที่มาสนุกสนานเฮฮาร่วมกันอย่างไรก็ตามรายการนี้สันสนีสนทนาเป็นรายการที่มีจุดยืนที่ชัดเจนคือสนทนาธรรมกับพระมหาภัยบุญอภิปุโนซึ่งมีความแตกช้าในเรื่องคำสอนของภาษาสดาที่ได้ตรัสเอาไว้ที่เราเรียกว่าเป็นพุทธพจน์หรือพุทธวจนะเนี่ย น, นะคะก็อยากจะให้รายการของเราสอดคล้องกับสภาวะ ที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็จะได้นําอธรรมะของพระศาสดาไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยเดี๋ยวก็ลองดูสินะคะว่าพระพุทธเจ้าจะมีคําตอบอะไรสําหรับเทศกาลแบบนี้หรือไม่เราไปกราบน้อมักการนะคะพระมหาภัยบุญอภิปุณโญเจ้าพัดป่าดอนหายโสอุดรธา น, นีกันเลยค่ะกราบน้มักการกับท่านค่ะเดี๋ยจริญในช่วงสงการานต์แน่นอนที่อย่างที่คุณโยมติว๋วพูดถึงว่าจะมีญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมมาพบปะเจอๆกันรู้สึกว่าเขาให้เป็นวัน วันผู้สูงอายุด้วยใช่ค่ะใช่วันครอบครัววันครอบครั ว, วผู้สูงอายุใช่ใช ใ, ใซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราได้ยกย่องมารดาบิดาหรือว่าในเรื่องการบูชาคนที่คุณบูชาเอาไว้คือบางทีมารดาบิดานี้เราต้องยกย่องบูชาท่านอยู่แล้วบางทีญาติผู้อยาค่คนอื่ น, นที่มีความรักความเมตตา ม, มีคุณธรรมใดๆเรายกย่องบูชาบุคคลเหล่านี้ อาจจะใช้ช่วงเวลาในเทศกาลที่มาเจอๆกันเนี่ยได้แสดงมุทิตาจิตกันได้มีการแสดงความรักความเมตตากันในลักษณะใดแบบหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พระพทุทธเจ้าสอนควรทําเราก็ไม่ใช่ทําเฉพาะช่วงเวลาเทศกาลนะคืออันนี้มันควรจะทําทุกปีทําทุกวันอยู่แล้วโดยช่วงยิ่งมารดาบิดาของเราเนี่ยทีนี้หมายความว่าในปีปีหนึ่งเราอาจจะเตือนสติกันสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็ยิ่งดีล่ะค่ะนี่คือในประเด็นเรื่อง การที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้ที่ควรบูชาเรื่องที่2ในเทศกาลสงกรานต์ที่เกี่ยวข้องนี้ก็คือการที่เราทําบุญอุทิศผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่คุณโยมติวพูดเมื่อสกรู่ว่าจะมีการทําบุญถึงผู้ที่ล่วงลับไปใช่ไหมคนที่เขานิยมทําก็จะเป็นบางสกุลแต่ซึ่งการทําบางสกุลเนี่ยก็คือหมายความว่าเราทํำทําทานแล้วก็อุทิศบุญที่เกิดขึ้นจากการทําทานนี้ให้กับ ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะไปทํากันที่วัดเอาอาหารไปถวายพระบ้างหรือว่าไปถวายผ้าถวายประแจสีที่ควรแก่สมณะจะบริโภคเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทําแล้วในกระบวนการตรงนี้ถ้ามันต้องมีการเดินทางพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสติงเรื่องของไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทางไหนเหนือใต้ออกตกแต่ถ้าอยู่ในสีสถานที่นี้นนก็จะมีความปลอดภยัย ก็พูดถึงเรื่องของสถานที่4อย่างก็คือไปในสติปัฏฐานทั้งส <Okay. S 1> ี่จะรับรถขึ้นเครื่องบินหรือว่าเดินทางท่าเปล่าจักรยานยนต์อย่างไรให้เรามีสติไปด้วยก็จะมีความปลอดภยัยความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงว่าเรื่องของจิตใจเราก็จะได้รับการดูแลนะ <Okay. S 1> คืออุบัติเหตุนี่บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้บางทีไม่ใช่ตัวเราทำคนหนึ่งเขาทำมาแต่ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจิตใจที่มีสติตั้งไว้เนี่ย จะยังเป็นใจิตใจที่มีการรักษาได้ด้วยดีอันนี้คือสามประเด็นที่พูดถึงในเบื้องต้นตรงนี้ค่ะทีนี้ลงรายละเอียดสักหน่อยนะคะ เ, เริ่มกันตั้งแต่เรื่องของการอุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วที่ท่านได้กล่าวว่าก็เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ทำไปทาบุญที่วัดหรือทำที่บ้านเนี่ยเราถือว่าเป็นการทำฐานลักษณะของการทำบุญในส่วน ตัวของดิฉันที่มีประสบมานะคะก็จะมีความเชื่อแบบบางคนต้องเอาโกดกระดูคือที่สำหรับใส่กระดูของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่เราเก็บเก็บกันเอาไว้นะนะคะไปบางคนเอารูปไปด้วยบางคนเนี่ยหาอะไรไม่ได้ก็เขียนชื่อดิฉันตอนเด็กๆจะมีหน้าที่เขียนบัญชีหางว่าเลยนะคะ<อ>คุณทวดนี่คุณนั่นคุณนุ่นเรื่อยมาเท่าที่เราจะคิดออกอ คือเป็นอะไรที่เราตั้งใจทำให้มากค่นะแต่ทีนี้สมมุติในกรณีอย่างเนี้ยค่ะการไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมีความจำเป็นแค่ไหนไหมคะที่ข้อที่หนึ่งเราจะต้องเอารวบรวมสิ่งที่คงค้างอยู่ของท่านผู้วายชนไปบางคนจะเห็นเพื่อนเขามีโกรธทีของเราไม่มีจะได้รับหรือเปล่าไม่สบายใจ ะะอุทิศบุญอย่างไรถึงจะได้บุญจริงๆค่ะในประเด็นเอาไปตีละขั้นตอนตอันตามแรกที่พูดถึงเรื่องของการทําทานซึ่งในช่วงนี้ก็อยู่เหมือนกันในช่วงเมษาเนี่ยชาวไทยเสื้อสายจีนก็จะมีการชําเชงเม้งมันก็จะมา<อ>ใกล้เคียงกับช่วงนี้บดนะีชาวไทยเสื้อสายไทยก็จะมีการทําบางสกุลเป็นบางสกุลตายลักษณะนั้นใช่ไหมค่ะทีนี้ในรูปแบบของการทำํำมันจะมีอยู่ที่เท่าที่อาจารมาเห็นน ะ, ะก็จะมีอยู่2รูปแบบคือรูปแบบแรกเป็นลักษณะการ บูชายันเป็นการทํายันในะการทํายันเนี่ยก็คือว่าคุณก็เอาอเรื่องบูชายอะไรต่างๆที่คุณต้องการบูชาเนี่ยไปตั้งไว้หน้าหลุมศพ บ, บ้างหรือว่าไปตั้งไว้หน้ า, าแผ่นป้ายชื่อของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนะอันนี้คือแบบไม่ได้มีผู้รับเฉพาะเจาะจงอันนี้ก็เรียกว่าลักษณะของการบูชายัน ค, นะคือการไม่มีผู้รับเฉพาะเจาะจงถามว่าได้บุญไหมก็ได้อยู่ ทีนี้ในเรื่องของทานทานจะไม่เหมือนกับการบูชายัญ น, นะคุณยมติยวทานเนี่ยจะต้องมีผู้รับจะต้องมีผู้ให้กับผู้รับแต่การบูชายัญ น, นั้นก็คือมีคนที่ออฟเฟอร์เฉยมีคนที่บูชาเฉยแต่ว่าผู้รับนั้นไม่มีมันจะต่างกาันการได้บุญก็ไม่เหมือนกันด้วยซึ่งการทําทานในเนื้อนาบุญจะได้บุญมากกว่าการบูชายัญโอเคนะเพราะฉะนั้นในรูปแบบก็อย่างที่ว่าว่าควรจะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือเรื่องของการให้ทาน ก็ต้องมีผู้รับซึ่งในกรณีนี้ผู้รับทานนั้นก็เป็นเนื้อนาบุญก็เป็นภิกษุผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิปัตชอบ <Okay. S 1> และนี่คือส่วนที่บุญที่จะเกิดขึ้นทีนี้บุญที่จะเกิดขึ้นแล้วเราจะอุทิศให้กับบันบั้มุตเนี่ยเอ้ยเราจะตั้งจิตระลึกถึงท่านได้อย่างไร <Okay. S 1> นะซึ่งบางคนก็จะมีเครื่องตั้งเครื่องระลึกถึงเช่นรูปภาพบ้างเช่นกระดูกบ้างนะเป็นผอบที่เหลือเศษส่วนของท่านที่เผาไว้แล้วเหลือไว้ หรือบางคนก็แค่เขียนป้ายชื่อบ้างแต่ได้ทั้งนั้นคุณยมติ๋วได้ทั้งนั้นที่จะทําให้จิตเราตั้งระลึกถึงบุคคลนั้นได้ค่ะ<น>แล้วงั้นก็เท่ากับว่าถึงแม้ว่าสําหรับกรณีบางท่านที่มีอัฐิไปอันนั้น ก, ก็ได้เพราะว่าจิตเราตั้งระลึกถึงท่านเมื<ช>่อเห็นอัฐิท่านอยู่ที่นั่นแต่สําหรับกรณีคนที่ ไม่มีแล้วเขาลอยอังคารไปหมดเรียบร้อยแล้วหรือว่าบางทีบรรจุไว้ถาวรในเจดีไม่สามารถเอาออกมาได้ไม่ต้องถึงขนาดนิมนต์พระไปที่เจดีก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นอันนี้อยู่ที่ตั้งจิตอื่นได้ตั้งจิตให้ถูกต้องการเขียนชื่อก็ได้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะทําวิธีใดจะตั้งจิตได้แต่ไม่ต้องไม่สบายใจว่าต้องถึงขนาดโอ้พระก็นิมนต์ยากเย็นแต่ต้องพาไปที่เจดีให้ได้นะคะค่ะแล้วในชาวไทยเสื้อสายจีนเนี่ย เขาก็จะเขียนเป็นป้ายชื่อแต่เป็นป้ายชื่อของบรรพบุรุษของตนค่ะ <Okay. S 1> แล้วเขาจะมีพิธีนี้นนเหมือนกับว่าเชิญดวงวิญญาณของญาติมาที่นี่อะไรเงี้ยแต่ที่อาจจะมาดูๆก็คือว่าให้พูดที่จะทําบุญนั่นแหละตั้งใจระ ล, ะลึกถึงญาติของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยค่ <Okay. S 1> ะที่ว่าตัวเราเองเออเราจะระลึกถึงบรรพบุรุษของเราที่รุ่งรับไปแล้วได้อย่างไร <Okay. S 1> ก็คือตั้งจิตให้จิตมีพลังตรงนี้มันถึงแน่นอน <Okay. S 1> เหมือนกับการที่คลื่นวิทยุอย่างเงี้ยมันส่งไปอะนะ ถ้าคลื่นส่งมันแรงนคนรับเราเป็นมีวิทยุเรารับคลื่นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าถ้าคลื่นส่งแรงเราก็รับได้ดี <Okay. S 2> คลื่นส่งแรงก็คือกําลังจิตที่มีกําลังบุญที่มีแั่ถ้า <Okay. S 2> เราได้สร้างบุญดีแล้วเรามีกําลังจิตที่ดีในการส่งไปก็คือกําลังสมาธิ น, น, นี้ก็จะสามารถไปถึงเขาได้ค่ะถ้าจาังคะถ้าอย่างนั้นขอแวะเรื่องของจิตที่ว่าเป็นกําลังเนี่ยนิดหนึ่งนะคะได้ๆคือดิฉันก็สังเกตนะคะว่าจิตมนุษย์เนี่ย ไร้กาดคือเหมือนกับว่าเอาพอจิตคิดปุ๊บเนี่ยมันแหมทันทีเลยใช่ถ้าสมมติไอเรื่องไปคิดถึงอุทิศบุญอย่างเงี้ยยังอาจจะคิดไปถึงกันยากนะคะแต่สมมุติว่าถ้ากลับเข้ามาที่ร่างกายเราเนี่ยอย่างเช่นเราเรานั่งสมาธิก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าอมันอยากกลืนน้ำลายสมมติอย่างเงี้ยนะคะ เหักห้ามไม่ได้เลยนะครับด้านอืมทํายากคือคือจิตเนี่ยถ้าจึงได้รู้ว่าอนุภาพของพลังจิตเนี่ยสําคัญขนาดไหนใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงจึงเน้นย้ําว่าเราต้องฝึกจิตให้อยู่ในอํานาจ ค, คือถ้าจิตเนี่ยมันมีอํานาจเหนือเรามันก็จะเป็นไปตามอํานาจของราคะโทสะโมหะเดี๋ยวคนนี้ว่าอย่างนี้เอเราก็ตามเข้าไปคนนี้บอกต้องมีอันนี้นะเธอไม่มีไม่ได้เราก็ตามเข้าไป เน่เพราะว่าจิตเนี่ยมันยังไม่ไม่ ม, มีมีอำนาจเหนือการการะทําของเราค่ <c oughs> ะแต่เราต้องกลับกันก็คือต้องฝึกจิตให้อยู่ในอํานาจให้ได้ค่ะ <c oughs> อย่าให้มันไปตามอํานาจของเสียงคนนั้นอย่าให้มันไปตามอำนาจของราคาโทสามโมหะค่ <c oughs> ะมันอยู่ที่กําลังจิตของเราตรงนี้ต้องตั้งขึ้นจะได้นะคะแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยหรือเปล่าคะถ้าหากว่าในวันที่เราไปทําทานอุทิศบุญ น, นั้นเกิดเราไม่ได้ตั้งจิต เราเอาไปแต่กระดูกเนี่ยแต่ว่าไม่ได้นึกถึงเลยก็เขาเอาไปกันเราเอาไปมั่งแต่จิตใจนี่ไม่ได้นึกถึงเลยเอาไปเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นส่วนประกอบของพิธีกรรมอืมคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังจิตเลยนะคุณยมติวการที่คนโตมาเป็นคนได้แล้วคุณแบบมีชีวิตอยู่ถึงป่านนี้ได้เนี่ยมีกำลังจิตแน่นอนแ้่มันอาจจะน้อยมันอาจจะมากไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเอาแต่แบบ เครื่องมือเครื่องไม้ไปแต่จิตเราไม่ได้ตั้งใจจะระลึกถึงคือมันมันไม่ใช่หรอกมันก็ระลึกถึงอยู่ถึงคุณถึงได้ตัวมาที่นี่ได้คุณถึงได้มาจุดทูกคุณถึงได้มาที่นี่แล้วก็ทําการกระทําอย่างนี้ได้จิตงไงมันก็มีน้อมมาอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้เต็มที่ก็ได้ตามกําลังอํานาจของจิตที่มีตรงนั้นตรงนั้นค่ะน้อยก็น้อยมากก็มากก็ว่ากันไปค่ะดังนั้นถ้ามีความต้องการจะให้ผู้ที่เรา อุทิศบุญให้ได้รับบุญมากๆก็ตั้งจิตให้ดีกันถ้าสรุปแล้วก็เป็นเช่นนี้ทีนี้มาส่วนเรื่องของคนเป็นที่ว่าเราไปทำพิธีรดน้ำขอพอรท่านนะคะเราควรจะทำอย่างไรตามหลักของพระพุทธศาสนาให้ดีที่สุดคะท่านคะในลนักษณะของการทำเช่นนี้เนี่ยการไปรดน้ำําหัวนี่ก็คือการบูชาท่านการบูชาอันนี้เป็นประเพณีของคนไทยเป็นประเพณีของชาวอินเดียสมัยก่อนด้วย แล้วก็ลา ม, มาถึงที่นี่แหละ ว, ว่าเอารถน้ํากันแต่ซึ่งสแสดงถึงการบูชาในลักษณะหนึ่งยังรวมถึงการที่เราบางทีอาจจะเอาของไปฝากท่านอันนี้ก็เป็นการบูชาด้วยอามิตรแต่ที น, นี้การบูชาที่พระพุทธเจ้ายกย่องคือการบูชาที่เป็นนิรามิตรย่งเช่นเราบูชาคนเนี้ยพราะอะไรเอถ้าเป็นคนมีความเมตตาถ้าเป็นคนมีวิสัยทัศนะถ้าเป็นคนรอบคอบเราก็เอาคุณธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นเนี้ยมาส่งไว้ในใจของเรานะเช่นว่าถ้ามีเมตตาเราก็มีเมตตาด้วย วันนั้นถ้ามันมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งกันก็อดทนเอาอย่างเงี้ยมันถึงจะดีอันนี้บูชาที่เรียกว่าเป็นนิรามิตนะบูชาด้วยคุณธรรมบูชาด้วยคุณธรรมที่อยู่ในใจบูชาด้วยการอดทนบูชาด้วยความรักใคร่เอ็นดูอันนี้ยิ่งจะดีมากขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของบุคคลที่เป็นภายนอกคนที่เราไปบูชาเขาเข า, เขาไม่ได้มีคุณธรรมใดๆเลยอะ่ะแต่ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นโดยช่วงยิ่งเป็นมารดาบิดาเนี่ย เรายิ่งควรจะให้ท่านเนี่ยตั้งอยู่ในคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงคือเรื่องของศีลเป็นต้นมีศรัทธาศีลจาระัญญาพวกนี้ให้ท่านตั้งอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้อันนี้ถึงจะเป็นการที่ว่า บ, บูชาท่านด้วยคุณธรรมคือตัวเรามีเองแล้วด้วยใช่ไหม <Okay. S 1> เราก็พยายามทำยังไงอ่ะให้ท่านมีคุณธรรมที่ท่านยังไม่ได้มีค่ะเ <Okay. S 1> ช่นตาคนไม่มีศรัทธาเราให้ท่านมีศรัทธาขึ้นมาอย่างเงี้ยแหมการ <Okay. S 1> กระทําของเราตรงนี้ยิ่งเป็นการบูชาท่านได้อย่างดีมากๆเลยค okay. ไม่มีคุณธรรมอ า, อาจจะใช้กุศโลบายอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ที่ฉันเสนอเนี่ยสำหรับผู้ที่ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมเลยหรือมีคุณธรรมน้อยแต่เราอยากาแคลร์นะคะแสดงความกตัญญูกตเวทีกับท่านอย่างสูงสุดก็จกัดทาบุญนิมนต์พระดีๆมาเทศเลยได้ยินไม่ได้ยิน ก็คงได้มากก็คงได้มากใช่ใช่ได้ได้น้อยก็ยังดีนันดีกว่าไม่ได้นะได้ได้น้อยแล้วมันเป็นได้มากมันก็ดีขึ้นมานะแล้วการฟังทำตามการการเข้าใกล้สมณะอันนี้เป็นมงคลอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอาไว้นะคะเพื่อให้สงการของเราเป็นประโยชน์กับอาหลักของพระพุทธเจ้าเข้าไปใส่ส่วนในการเดินทางอยากให้ท่านอธิบายยาวอีกนิดหนึ่งเพราะเมื่อสักครู่ได้พูดว่าถ้าเดินทางไปในสีที่ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในดีแน่นอนคือในสติประฐานสี่ถูกต้องพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างาไว้เนื้อเบลีมเทียบไว้กับนกมูลไถกับนกเหี่ยวแต่นกมูลไถ่เนี่ยปกติมันก็จะหากินอยู่ตามพื้นดินอยู่บริเวณที่พื้นดินที่ชาวนาเขาไถาเอาไว้กินน้อนกินอะไรพวกนี้ไม่อยู่มาวันหนึ่งมันนันบินออกนอกที่หากินของมนนันไปบนยอดไมน้นบินไปในที่สูงพะบินไปในที่สูงแล้วเนี่ยก็เป็นที่หากินของเหยี่ยว นกเหย่่ยวบินอยู่สูงเห็นนกมูลไถบินขึ้นมาตรงนี้ <Okay. S 1> ก็เลยบินเข้ามาจับนกมูลไถไปได้ <Okay. S 1> จนนกมูลไถนิสยัยละสิออกจากที่หากินของตัวเองถูกนกเหยี่ยวจับไปนะก็เลยอ้อนวอนกับพ่อเหยื่ยวนะบอกว่าเออท่านปล่อยเถอะวันนี้ดวงไม่ดีขอให้ปล่อยละแต่ถ้าท่านไปอยู่ที่ของเรานะท่านจับเราไม่ได้หรอกทนะ้าเหย่่ยวไปงั้น <Okay. S 1> เหยื่ยวด้วยความยิงพยองของตนก็ปล่อยนกมูลไถไป นายปล่ยนกบุญไถไปนกบุญไถก็ไปยืนอยู่บนก้อนดินเดนะิที่ชาวนาเขาเพิ่งถ่ายไว้แล้วก็ท้าเหยื่ยวมาเลยนะเพราะเหยื่อมาสิท่านจับร็อกไม่ได้หรอกในะเหยื่ยวด้วยความหยิงปยองในความสามารถของตนเนี่ยก็ห่อปีกลู่บินเข้าไปเลยไม่รอดแน่เจ้านกมุญไถยนะเพราะนกมูญไถเนี่ยเขาก็เล็งจังหวะให้ดีนะคุณโยมเตียว <c oughs> นะว่านกเหยี่ยวจะเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เมื่อไหร่เนี่ยนะคือ น, นกเหยื่ยวเขาก็คนนํานวณทิศทางของเขาอะนะ <Okay. S 2> ว่าโมเมนตัมเท่านี้ความเร็วเท่านี้เขาจับปุ๊บเขาสามารถที่จะหักบินขึ้นกลับได้แต่พอนกมุนไถ่เล็งจังหวะให้ดินหลบเข้าหลังก้อนดินนกเหยี่ยวนี่ก็ด้วยความมารวดเร็วเกินไปทำให้หักหลบไม่ได้ <Okay. S 2> น้ะมวลโมเมนตัมมันไม่ถูกแล้วทีนี้ก็อกกระแทกดินนะตายนะ <Okay. S 2> หรือว่าได้รับทุกเจนตายอันนี้เป็นอุปมารประไมยที่พรทธเจาบอกว่าเจ้านกมุนไถเนี่ยมันถูกเหี่ยวจับได้เพราะว่าออกจากที่หากินของมัน เดเจ้านกเหยืยวที่เอาโอกระแทกดินตายเนี่ยก็แปลว่าออกจากที่หากินของตัวเองและเลยสวยไปทีนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับจิตของเราจิตของเราถ้าสมมุติออกไปที่ที่เราไม่ควรไปเดี๋ยเราจะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นการเดินทางไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็อย่าเดินทางไปที่ที่มันจะเป็นอันตรายนีซึ่งการเดินทางแน่นอนในทางกายเนี่ยบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องไปใช่ไหมใบญาติบ้ า, างด้วยวิธีทางรถบ้างทางเรือบ้าง มันอาจจะเผชิญอันตรายอะไรต่างๆแต่จิตใจนะอย่าให้ออกไปจากที่ที่มันควรจะต้องอยู่ซึ่งที่ที่ควรอยู่นั้นพระบุตรเจ้าได้บูชถึงสีที่คือสติปัฏฐานสีนั่นเอง <c oughs> คือใจของเราเนี่ยนะใจของเราถ้าอยู่ในสีที่นี้แล้วกายคุณจะเดินทางไปทางไห น, นใจคุณก็จะมีความปลอดภัยอยู่คอันนี้ <c oughs> พอฟังคําว่าสติปัฏฐานสี่ดูเหมือนกับเป็นชุดถ้อยคําที่น่าศักดิ์สิทธิ์มากเอ เรากําลังไปเที่ยวเราจะต้องอยู่ในรูปแบบของการนั่งสมาธิเพื่อเจริญสติประธานสี่หรือย่างไรคะมันเป็นไปนไม่ได้ค่ะโ <c oughs> อเค <c oughs> <c oughs> อาการเจริญสติเนี่ยสามารถทําได้ในทุกรูปแบบพระพุทธเจ้าได้ตราถึงคนที่ยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือว่านอนอยู่แล้วก็สามารถตั้งสติขึ้นได้แล้วคนที่กําลังเดินอยู่แล้วคุณก็ตั้งสติขึ้นได้เพราะฉะนั้นคเครื่องมืออะไรละ่ะในการที่เราจะใช้ในการตั้งสติ สิ่งที่ตัวมาใช้อยู่เป็นประจำก็คือลมหายใจแต่ใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือในการตั้งจิตตั้งสติของเราขึ้นในขณะที่เราขับรถอยู่เดินทางอยู่อันนี้ได้หรือว่าคุณไปเที่ยวเอ้าคุณก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างไปเที่ยวที่ไหนอะไปเที่ยววัดเหรอเออเห็นพระพุทธรูปอะไรก็นึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าอิทธิพิโสเอ้าเราก็ตั้งสติขึ้นได้ตรงนั้นอันนี้มันก็ดีใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติค่ะหรือว่าอย่างประเด็นถ้าบอกว่าเรา เดินทางไปในที่บ้านเราเห็นครูบ า, าอาจารย์เราเห็นญาติพี่น้องนะที่มีมารดาบิดาเป็นต้นเราระลึกถึงคุณธรรมดีๆต่างๆเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นศีลอนุสติเป็นอุปสมานุสตินะคเครื่องมือในการที่จะตั้งสติได้มีอยู่ทั้งสิน้น <Okay. S 1> อธิบายคําว่าสตินินดนึงนะคุณโยมติวว่ามันหมายถึงการระลึกได้ <Okay. S 1> าการที่ระลึกได้ก็คือจําได้นั่นเองเช่นเราจําลมหายใจของเราได้เรา แทนที่จะไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็มานึกถึงเลมหายใจในทีนี้คําว่าสติปัฏฐานเนี่ยก็คือหมายความว่าให้คุณแทนที่จะไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีอาจจะดีไม่ดีบ้างก็ให้มันนึกถึงในเรื่องที่มันดีๆในการนึกถึงการระลึกถึงเอาจิตออกจากตรงที่ไม่ดีนั้นให้กลับมาตรงที่ดีตรงนี้อันนี้คือคําว่าสติแต่เพราะนั้นสติหนึ่งจะเป็นโมชันเป็ น, เ ป, นเป็นกิริยาเอาพูดง่ายๆกีก่ตัวนะ <c oughs> เป็นการกระทํำก็เขาพูดว่าการระลึกได้ นะคะเอะทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับท่านเลยล่ะคะ่ะเทศ ก, การสงกรานต์คลายร้อนกันเองแล้วก็ห่วงว่าพระจะร้อนอ ม, มีส่งน้ําพระพุทธรูปออและสุดท้ายก็ส่งน้ําพระอันนี้เป็นประเพณีที่มีในครั้งพุทธกาลไหมคะเท่าที่ศึกษาดูจะไม่ได้มีนะไม่ได้มีที่ที่วัดปาด่าในโชว น, นี้ก็ไม่ได้ทำอ๋อเหรอคะไม่ได้ทําอืม คือคือหมายความว่าบางทีบางคนเขาก็มาขอทําเขาก็ทําก็หลวงพ่อก็อังแล้วก็เฉพาะรายไปคุณก็เอาน้ํามาเองนะคุณก็เอาขันหม้ อ, อกละมังคุณมานะแต่ว่าที่วัดเราจะไม่ได้จัดนี่ให้เท่ากับว่าการส่งน้ําพระนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสงฆ์ถูกไหมคะแต่ว่าเป็นเรื่องของคาราวาสที่มีความต้องการเป็นประเพณีที่เขาทาในปัจจุบันมากกว่าแตมาว่าในในสมัยนี้เขาทาอย่างนี้แล้วถามว่าใครจะไปทําได้ด้วยบ้างไหม ก็ญาติาโยมเขก็ทําการบางทีพระเขาก็ทำแต่แต่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ได้มีระบุไว้ว่าต้องทําในข้อนี้นะทีนี้ที่ฉันเห็นพระสงค์เนี่ยก็จะมีพระวินัยที่เป็นพุทธวัน ญ, ญตัตคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วก็ต้องรักษาสืบทอดมาจึงอยากจะขอเป็นความรู้นะคะว่าเราก็ไม่อยากทําอะไรให้ผิดพลาดหรือว่าทําให้พระลํำบากใจใช่ไหมคะที่ทําให้ท่านวางตัวเฉียดเฉีว กับการผิดวินัยหรือเปล่าเนี่ยมันมีมุมไหนที่จะเกี่ยวข้องที่จะต้องระวังบ้างไหมคะในการที่คารวาจะไปส่งน้ําพระเนี่ยในเรื่องการส่งน้ำํำอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทําพวกปลุกเสกพรมน้ํามนตถ้าบอกว่า ใ, <ช>ในลักษณะที่หาเลี้ยงชีพถ้าทําในลักษณะที่หาเลี้ยงชีพอันนี้ก็จะสุ่มเสี่ยงกับการที่พระสงฆ์จะผิดวินยัยคือบางทีอาจจะทําแบบไม่ได้หาเลี้ยงชีพอะแต่มันก็สุ่มเสี่ยง S <S คือบางคนอาจจะไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยการพรหมน้ำมนสำหรับพระสงฆ์อนะท่านก็ไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยการพรหมน้มนํานหรือว่าปลูกเศษอยู่ละแต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงเพราะมันจะเข้าขายคอันนี้ข้อที่หนึ่งในข้อที่สองก็คือว่าพระเนี่ยอจะลงไปเล่นน้ํามันผิดพระสงฆ์เนี่ยห้ามหัวเราะในน้ํามีศีลอยู่ข้อหนึ่งอันนี้หนักขึ้นด้วยอก็คื อ, อนนว่างห้ามหัวเราะในน้ําใช่คือหมายก็ว่าอย่าไปลงเล่นน้ํา คือคหมายว่าอย่าไปลงเล่นในน้ํากระโดดลงไปในน้ําแล้วก็เล่นป๋อมแปมป๋อแปมแปมอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าลงน้ําเพื่อที่จะเหมายถึงว่าเสื้อผ้าไม่มีแล้วเปลือยแล้วนันลงไปแช่น้ําเพื่อปกปิดอวัยวะอย่างนี้ได้อยู่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าลงไปเล่นน้ําค่ะงั้นถ้าสมมุติเกิดอ่ามีญาติโยมเข้าไปส่งน้ําพระพระสงฆ์นะคะพระจํานวนมากเลยบวชใหม่บวชเก่าปะปนกันอ่พอโยมเสร็จแล้ว สงค์ก็เลงแล้วว่าโยมไม่อยู่ละหรือโยมหันหลังกลับไปหมดละเห็นคันอยู่ตรงนั้นจับมาสาดน้ํากันเองได้ไหมคะเออมันก็เข้าขายอันนี้เข้าขายได้ประมาณไม่ใช่ว่าไปโจทย์ท่านหรือโจทย์ใครน ะ, ะแต่พูดถึงว่ามันอาจจะเข้าขายอันนี้เราต้องพิจารณาเป็นกรณีเพราะมันมีสีอยู่ข้อหนึ่งบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้ า, ราตรัสไว้บอกว่าอภิกษุเนี่ยเป็นปาจิตตีพระหุระในน้ําปาจิตจตีเนี่ยเป็นชื่ออาบัต แต่เป็นชื่อความผิดที่ให้เราทําการตรวจสอบว่าถ้าคุณทำปีก้อนี้นะคุณจะมีความผิดในลักษณะนี้ก็หมายความว่ากุศลธรรมคุณจะตกล่วงลงไปอหันะวเราะใน น, น้ําเนี่ยเขาก็ตีความกันว่าไปเล่นน้ําหรือว่าถ้าเราไม่ได้ถึงกันลงไปในน้ําแต่เอาน้ํามาสาดสาดกันแล้วหัวเราะขี้คิกมันก็มีส่วนอ่ะนะมันก็เฉียวเฉียดอย่างที่คุณยมติวถามเมื่อตอนแรกนะค่ะคือจริงๆดิฉันเคยเห็นนะคะเพียงแต่ว่าดิฉันเข้าใจท่านนะคะเหมือนกับท่านก็คง นิดๆหน่อยๆ อ, อะไรอย่างเนี้ยแต่ก็ที่กราบเรียนถามเพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะไม่ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นจากการกระทําของตัวเองหรือว่าจากคนอื่นอ่าทุกอย่างจะได้งดงามอืมคําว่าปาจิตตีที่ว่าเป็นแปลว่าคือศรธรรมใช่เป็นชื่อของความความล่วงความที่แบบทําให้ถูกทางละอ่ะาก็ปรับให้ถูกทาง นะซึ่งซึ่งในอาบัตพวกเนี้ยคือไม่ใช่ว่าจะเป็นการจ้องจับผิดกันแต่เป็นการให้ตัวเองเนี่ยได้ตรวจสอบตัวเราเองได้ว่าอ๋อถ้าทําแบบนี้นะมันจะมีความผิดในลนักษณะนั้นเราก็แก้ไขอย่าทำให้มันผิดอืมก็หมายความว่าถ้าผิดอย่างนี้ไปแล้วก็เพียงแค่ต่อไปไม่ต้องทําอีกก็เพียงพอแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ใช่ก็คือโปรงอาบาัตนะไปประกาศความผิดของตัวเองว่าเออฉันทํแบบนี้ไปเพราะเพิกสติอ่าต่อไปจะไม่ทําอีก อ, อย่างนี้นอ๋องั้นความผิดของพระนี่ถ้าที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ มีมีหนักกว่านี้ไหมคะมีเบากว่านี้มี ม, มีอันนี้คือเป็นขั้นกลางๆในระดับที่หนักขึ้นไปกว่านี้ก็จะเป็นความผิดที่ทํากุศลแล้วทำให้ตกล่งลงไปแต่ว่าต้องสละสิ่งของนั้นด้วยมีของที่เนื่องด้วยความผิดเช่นถ้าเป็นเรื่องของเงินทองก็ต้องสละเงินทองด้วยหรือถ้าหนักขึ้นไปกว่านี้เป็นความผิดที่จะต้องไปลักษณะว่าติดคุกของพระก็ะจะใช้คําว่าสังกาธิเศษก็คือติดคุก ต้องไปอยู่ในอาวาสที่ที่เขามีการแก้อาบัตินี้ได้ต้องมีหมู่สงฆ์ในการที่จะช่วยในการแก้อาบัติแต่แล้วก็หนักขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นเรื่องของปาราชิกนั่นก็คือขาดจักรวิบินพระคซึ่งตรงนี้ก็จะพูดว่าก็ไม่ใช่อาบัติหนักอะไรอะ่ะแต่เป็นตัวบ่งบอกว่ามันก็มีที่ล่วงอยู่แล้วก็แก้ไขให้ถูกะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะบอกอุ้ยทําไมพระเวลาทําผิดแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆมันมี อ่าชั้นความหนักความเบาของความผิดถ้าผิดหนักๆนี่ไม่ต้องเป็นพระอีกต่อไปเลยเรียกว่าปาราชิกนะคะเราด้ินกันอยู่บ่อยๆส่วนรองลงมาเป็นสังฆาทิเศษท่านใช้คําว่าติดคุกพระแต่ว่าไม่ได้ติดคุกแบบที่เป็นคนทำผิดเป็นฆราวาสค่ะไม่เหมือนอย่างนั้นต้องให้หมู่สงเลยค่ะใช่หมู่สงที่สังสงเนี่ยแปลว่าหมู่แหละคำว่าสงเนี่ยนะแปลว่าหมู่ก็คือต้องให้หมู่เนี่ย เกินยีรูปนํามาในการที่รับรู้ความผิดของคุณ <Okay. S 1> ปกติแล้วเนี่ยนะคือเรื่องของอาบัตเนี่ยไม่ใช่ปปเป็นการลงโทษนะคุณหยมติ๋ไม่ใช่ปเป็นการลงโทษแต่เป็นการระบุเฉยๆว่ามีความผิดประเภทนี้เพราะว่าในธรรมวินัยของพระปรทชาเนี่ยไม่ได้เป็นไปด้วยอาญาคือในในทางกฎหมายคุณมีตัวบทตรงนี้แล้วคุณก็มีบทลงโทษติดเอาไว้ด้วยกับตัวบทนั้นถูกไหมเช่น <Okay. S 1> จําคุกเท่านี้ปรับเท่านี้แต่ว่าไอ้ชื่ออาบัตเนี่ยไม่ได้เป็นบทลงโทษ แต่เป็นความผิดที่ระบุไปเฉยๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ใช่อัดยาแต่เป็นความผิดว่าเออคุณมีความผิดระดับนี้นะทําไงอะ <ret ard. S 1> ่ะก็แก้ไขให้มันถูกแล่เป็นการตรวจสอบตัวเองค่ะเป็นการตรวจสอบตัวเองในทุกความผิดเลยเหรอคะเป็นการตรวจสอบในสิ่งที่เรากระทําค่ะคือตรวจสอบตัวเองด้วยตรวจสอบกันเป็นหมู่ด้วยในสิ่งที่ตัวเราเองทําว่าเราทําถูกไหมหรือว่าในสิ่งที่คุณเขาทำเขาทําถูกไหมแล้วอะไรที่มันไม่ถูกก็อย่าทําอะไรที่มันถูกก็ทําอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเดี๋ยวชถามต่อไปอีกนิดนะคะสมมุติในกรณีความผิดที่ถึงขนาดต้องให้พระสงค์ยี่สิบรูปมาเป็นผู้ที่รับทราบความผิดใช่ไหมคะอันั้นเรีกสังฆาธิเสธค่ะแล้วก็ต้องกลับไปทำให้ดีไม่ผิดใหม่แต่กระทำความผิดซ้ำอีกแบบเดิมยังไงดีคะท่านคะก็คือถ้าทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในในข้อที่หนัก ขณะว่าต้องใช้หมู่มาช่วยกันปลดเรื่องแก้ไขความผิดเนี่ยมันก็จะไปผิดข้อข้อนี้อีกเหมือนกันนั่นะเป็นอีกข้อหนึ่งที่คุณทําผิดซ้ําอยู่เรื่อยน่นะก็จะต้องให้หมู่มาตักเตือนกันหนักขึ้นแบางทีก็จะมีกระบวนการอย่างอื่นๆเช่นอให้คุณไปอยู่คนเดียวก่อนนะครับออกจากหมู่ไปสักระยะหนึ่งให้ไปสํานึกตัวให้ได้ <Okay. S 1> อกลับมาใหม่ว่ายังไงสืบสวนกันเนี่ยก็ เป็นกระบวนการตามขั้นตอนก็มีทําอยู่แต่ต้องใช้หมู่ที่มีจำนวนยี่สิบคนแต่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่ต่างๆกันไปอ๋อค่ะนะคะนี่ก็เลยได้ความรู้กันอีกเรื่องหนึ่งในเทศกาลสงการานสำหรับการเล่นน้ำธรรมดาๆรรของพวกเราล่ะคะมีธรรมะอย่างอื่นที่จะให้ไหมคะอะไรมมีความคิดอย่างนี้ว่าในการที่เราเล่นน้ำกันอย่างนี้นะ แน่นว่า ม, มันเพื่อความคลายร้อนนี่ก็ส่วนหนึ่งความสนุกสนานในฮานี่ก็ส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันเราจะหาความเย็นในทางกายแล้วเราก็หาความเย็นทางใจด้วยอยากจะแนะนําตรงนี้ซึ่งความเย็นในทางใจที่กําลังพูดถึงนี่ก็คือความสุขที่กระจายสมาธิลเล่นกันพอหอมปากหอมคอแล้วแล้วก็สร้างบุญกุศลและโดยการให้ทานรักษาศีลเอาจเจริญสมาธิด้วย แต่มีสตร์น้ําให้กันไม่ใช่ให้แต่สตร์น้ําแต่ให้ความรักความเมตตากันด้วยในทางใจแต่มีรอยยิ้มมีอะไรกระทบกระทั่งก็ให้ความอดทนกันนอย่าเบียดเบียนกันแน่นอนบางทีคนหมู่มากรถมันก็ติดอากาศมันก็ร้อนบางทีอารมณ์ก็ไม่จใยเราก็ให้อดทนนะให้มันผ่านช่วงนี้ไปได้แทนที่ให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลบุญแตอย่าให้เป็นบาปโดยการที่ให้เรามีความอดทนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ในมีความรักความเมตตากันมีอะไรก็ให้ดีทั้งอาศัยเอื้อเฟือกันไปในเทศการนี้เราจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลกับชีวิตของเราได้คะ่ะดิฉันแถมท่านค้องได้ไหมค ะ, ะขอโดยสารไปกับท่านด้วยคือเทศกาลอะไรก็แล้วแต่มักจะมีของมึนเมาะคะ่ะอ๋อใช่เข้ามาเป็นตัวแทรกนิมนต์ท่านต่อนะคะเรื่องพวกนี้ก็ ค, คือเรื่องของศีลอย่างที่ว่านะว่าเรารักษาศีลของเรให้ดีมันจะไม่เป็นบาป เรามาสนุกสนานแล้วลเป็นความสุขทางตาทางหูจิตใจเราให้สูงขึ้นโดยระวังเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องเครื่องดื่มมึนเมาบันทีตัวเราไม่ได้ดื่มเองกต่คนอื่นเขาดื่มแล้วก็ถ้าเตือนได้เราก็ช่วยกันเตือนกันนะใหอ้อยู่ในสุขสันต์ละทำให้ได้จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ส่งรอบรู้แล้วก็ไม่ได้รอบรู้ในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของธรรมะ ของอผู้ที่ต้องการจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในลักษณะที่ปฏิบัติตนยิ่งยวดขึ้นไปแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของคารวาสเนี่ยอย่างกับเรื่องของสุราที่ท่านได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะดิฉันเห็นท่านเตือนเยอะเลยนะคะว่าเป็นอบายมุกถ้าทําแล้วใช่ไหมคะเป็นอบายมุกใช่ใชเป็นอบายมุกเป็นทางสู่ความเสื่อมค่ะมุกเนี่ย <c oughs> แปล ว, ว่าปากทางนะบา <c oughs> แลแปลว่าความเสื่อมความต่ํา และการไปเที่ยวในตรอกใช่ไหมคะตรอกข้าวซอยเป็นที่ตั้งความประมาท <c oughs> อเป็นที่ตั้งเห่งความประมาทเนี่ยเทศกาลสงการานก็ระวังกัน ก, ก็แล้วันว่าอย่าเพลิ้วลไป ใ, <ช>ในที่ที่ไม่ควรไปเพราะว่าอย่างที่ท่านพูดเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจ น, นะคะว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลดีก็อยากให้เป็นบุญอย่าให้เป็นบาป อ, อยากให้เย็นทั้งกายและเย็นทั้งใจ่อันนี้สําคัญใช่แล้วก็คือถ้าเราดื่มกิน หรือว่าไปในที่ที่มันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดอะไรแต่ถ้ามันจะเป็นบาปเกิดขึ้นหรือว่ามีความไม่ดีเกิดขึ้นมันจะเกิดได้ตรงนั้นเราจรึงต้องระวัง ห, หลีกห่างจากมันเราให้ตั้งอยู่ในกุศลให้กบเพื่อนดีให้ไปในที่ไหนก็ให้มีสติตั้งขึ้นให้มีความรักความเมตตา ก, กันจะไปได้นะคะก็หวังว่าในวันนี้เนี่ยรายการสัมมนีสนทนาโดยพระมหาภัยบุ์อภิปุณโนะคะที่ท่านได้ยกเอาคาสอนของพระศาสดา มาอธิบายว่าแต่ละกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงการานนั้นเราจะทำอะไรถึงจะทำให้ชีวิตของเราพบแต่บุญไม่มีบาปแล้วก็ให้เย็นทั้งกายให้เย็นทั้งใจด้วยอันนี้ดีมากเลยค่ะท่านคะท่านคะมีอีกเรื่องหนึงนะคะไหนไหนท่านพูดเรื่องสุราแล้วก่อนที่จะจบรายการเนี่ยชันก็เห็นทางอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าท่านได้ออกมาพูดกับสังคมในสิ่งที่ เห็นด้วยมากๆเรื่อแปลกใจกสถานศึกษาสำหรับเด็กโตหน่อยนนะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลายัยจะเกิดแหล่งแหล่งที่จะทำให้เข้าถึงับใบยมุกเนี่ยเยอะแยะไปหมดค่ะอะย่างกับสมมติว่ามีมหาวิทยาลัยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ตามชายทะเลงเงี้ยที่นั่นก็เคยขับรถไปกะจะไปเที่ยวชายทะเลเพื่อที่จะเสพ บ, บรรยากาศริมทะเล ตกใจมากเลยนะคะว่าเต็มไปด้วยร้านเล่าแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากจินตนาการว่านี้ถ้าเราเป็นพ่อแม่ของเด็กนี่คงไม่มีความสุขเลยถ้าลูกของเราจะมาเรียนแถวนี้อืมเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือว่าผู้มีอานาจเนี่ยอก็พยายามที่จะให้สิ่งต่างๆมีการปกป้องรักษาโดยธรรมอันนี้จะเป็นการดีท่านค ะ, ะดิฉันกําลังอยากจะให้ท่านพูดในแง่ที่ถ้า คนที่ทํามาค้าขายเพราะดิฉันเข้าใจว่าคนที่ทําผิดเนี่ยคือคนที่หากินไม่เลือกขอประทานโทษนะคะ mm hmm. คือในเรื่องแบบนี้ก็ไปหากินกับเยาวชนอย่างเงี้ย mm hmm. เ้าควรจะรู้ว่ามันผิดบาปมันมีทุกโทษอย่างไรในทางศาสนาดีค่ะออผูดด้ที่ค้าขายสุราของมืนเมาอันนี้เป็นการค้าที่พระพุทชาให้หลีกเลี่ยงอยู่แล้วควรจะหลีกเลี่ยงในการที่จะทําคือหมายว่าถ้าเรายังไม่ได้ทําแล้วจะคิดไปทําเนี่ยอย่าทํา ถ้าทําอยู่แล้วเติบโตขึ้นไม่ได้ด้วยอาชีพนี้ก็ให้หาทางที่จะเลิกได้อย่างไรนี่นคือให้หลีกเลี่ยงแต่เป็นอาชีพที่ ว, าวา่าเป็นการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยงอคือในเรื่องของผู้ขายนี่ก็ส่วนหนึ่งอนะทีนี้ ค, คนขายในบางทีเขาก็ไม่ได้แคร์ฉันไม่หลีกจะทําไมฉันจะทำํำผู้ที่มีอำนาจในการที่จะให้ไลเซนส์หรือว่าดูแลเรื่องสถานที่ก็ควรจะต้องจัดการปกครองคุ้มครองให้เป็นไปโดยทรรมด้วยเจ้าหน้าที่บ้านเหมืองนี่ก็ส่วนหนึ่งด้วย คือถ้าสมมติจะจินตนาการไปเนี่ยคือว่าของมึนเมาเป็นปากทางของความเสื่อมได้ทั้งหลายเลยคือคนที่ไม่มีสติเต็มที่จะไปทำผิดทำอะไรต่อเมือไ อ, อไรต่อไปได้อีกเยอะใช่ใช่ดังนั้นเราก็คิดว่าเราเป็นต้นทางของการที่จะทำให้เกิดการกระทำความผิดพลาดไม่ว่าต่อตัวเองหรือต่อคนอื่นกับลูกของชาวบ้าน ซึ่งไม่แน่พันไปพันมามันอาจจะกลับมาถึงลูกเราก็ได้นะคะที่ได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้ค่ะก็ฝากกันเอาไว้ในโอกาสที่ได้มาน้ัมสการกราบเรียนท่านถึงธรรมะในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งคิดว่าวันนี้พอแก่เวลาแล้วนะคะเจริญบานกราบน้อสการขอบพระคุณท่านเป็อย่างยิ่งค่ะเจริญบานกราบท่านฟังที่ครบค่ะและนี่คือรายการสันสนีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุร้อยหกสทร์นะคะเอฟมครอบครัวข่าวที่ เราก็อยากจะให้สิ่งดีๆที่พระพุทธองได้ตรัสไว้นั้นได้นำไปสู่การดำเนินชีวิตของท่านในทุกๆโอกาสนะคะไม่ว่าจะสุขทุกข์ดีร้ายอย่างไรให้มีความสุขขอให้ท่านมีความสุขในเทศกาลสงการานนะคะเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจได้แต่บุญถ่ายเดียวเราเอาไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับรายการนี้ที่ พระจารย์ไพบุญจะมาแสดงธรรมก็มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนที่ดิฉันจะมาสนทนาด้วยจะเป็นวันพระหัสสบดีและวันศุกร์นะคะวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ทุกวัวสวัสดีค่ะ